สำหรับพระสูตรวันนี้นะครับก็เป็นพระสูตรที่ที่คุ้นๆกับพวกที่ที่สนใจธรรมะนะครับคือเป็นนักเลงธรรมะมักจะโดยมากมักจะรู้ครับนะบนั่นคือพัฒเกะลัตะสูตรนะที่ชื่อว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนะฮะสูตรนี้โดยมากนักเลงธรรมะมักจะมักจะชอบมักจะ ติดปากติดปากนะครับโดยมากไม่จะติดตากไม่ทราบว่าท่านเคยได้ยินมาแล้วยังนะพัฒเภกรัตสูตรนะพัทเทพอสัมภาวะไม่งดการทอทหารนะพัทเภกรัตสูตรนะผู้มีราตรีหนึ่งเจริญชื่อเพราะด้วยเนาะราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยมันเจริญยังไงนยพัฒเภกรัตสูตรอยู่ในมัจจิมนุติกายอะไรนะครับอุปริปันาสนะครับ มาชิมมานิกายอุปริปรนาฏพระสูตรนี้เอาเฉพาะตอนที่เป็นคาถาที่ประพันธ์นะครับที่พระภูมิภาคทรงประพันธ์เพื่อที่จะให้ให้ผู้ฟังเนี่ยนะฮะให้สาวกเนี่ยได้ติดหูแล้วก็คล่องปากเวลาท่องก็ท่องง่ายเพราะว่าเป็นภาษาประพันธ์เป็นร้อยร้อยกรองนะครับแต่ว่า เราอ่านดูแล้วไม่ค่อยเป็นร้อยกรอเป็นภาษาบาลีนะครับอสูตรนี้ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะครับไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็เป็นอันว่าล่วงเป็นอันว่าละไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันว่ายังมาไม่ถึงเออนะฮะ ก็บุคคลใดเนเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันบอกไลยนะเมื่อกี้นี้บอกอดีตก็จะไปคิดมันนะอนาคตก่อนจะมาก็ม่นองคิดถ้าบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นได้ก็พึงเจริญเนืองเนืองให้ทะลุลูกโป่งเถิดให้เจริญเนืองเนืองทะลุลูกโป่งเถิด บุคคลไม่ควรคำนวณคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วจริงและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดที่ร่วงไปแล้วก็เป็นอันว่าละแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันว่ายังมาไม่ถึงก็บุคคลเห็นแจ้งปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นได้ก็พึงเจริญให้ปลุกโปรงเถิดเจริญเชตแต่วันนี้แหละควรทําความเพียรในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความพักเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายครับพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างอยู่อย่างนี้คือมีความเพียนไม่เกลียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญถ้าเห็นหรือยังครับว่านักเรียนธรร ม, มานีก็จะต้องโดยมากติดปาก ถ้าผมเป็นนักเรียนธรรมะท่านต้องเป็นนักเรียนใหญ่เนาะคือสูตรนี้น่าฟังแล้วน่าสนใจนน่าฟังแล้วน่าสนใจปเดี๋ยวท่านจะอ่าท่านจะอธิบายให้ฟังเอาเอาบทแรกก่อนเนาะบุคคลไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็เป็นวัตละไปแล้วเอาผมมานี้เลยอ่าอย่างไรชื่อว่าคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็คือคํานึงว่าในอดีต อ่นะอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีรูปอย่างนั้นเคยมีเวทนาอย่างนั้นเคยมีสัญญาอย่างนั้นเคยมีสังขารอย่างนั้นเคยมีวิญญาณอย่างนั้นอีกในหนึ่งนะสมัยอดีตการเราเคยรูปหล่ออย่างนั้นเนี่ยคือคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วโอ้สมัยก่อนเราเคยมีความสุขจริงๆเลยอ่ะโอ้เนี่ยคือคำหนึงถึงเวทนาที่ล่วงไปแล้ว เรงสมัยหนุ่มๆนี่ยหัวดีกว่านี้เยอะเนี่ยก็คํานึงถึงสัญญาที่ล่วงไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหนะผมมีใจผมใจดีกว่านี้เยอะยังไงคํานึงก็มีเมตากว่านี้เยอะคํานึงถึงสังขารที่ล่วงไปแล้วสมัยก่อนนี่เคยไปเห็นไปได้ยินไปรู้กลิ่นรับรู้รสมีวิญญาณรับรู้อย่างนั้นอย่างนั้นอ่าเรียกว่าคํานึงถึงรูปเตทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ในอดีตด้วยอํานาจแห่งตันหาด้วยอํานาจแห่งตันหานะล็อกไว้ว่าด้วยอํานาจแห่งตันหาและทิฏฐิอย่างนี้นะเชื่อว่าบุคคลคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วส่วนที่ไม่คํานึงด้วยอํานาจแห่งตันหามานะทิฏฐิอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าไม่คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วถามว่าพระสูตรนี้พระ อ, องค์ไม่ให้รู้อดีตใช่ไหมไม่ใช่ แต่ไม่ให้คำหนึ่งด้วยอำนาจของตันหาและทิฏฐิแต่ว่าให้พิจารณาอดีตไหมครับให้พิจารณาอดีตเพราะว่าอย่างเช่นคาว่าขันคาว่าขันที่เรียกว่าขันเพราะอย่างเช่นที่เรียกว่ารูปปัจขันเพราะต่างด้วยอดีตอนาคตและปัจจุบันพระองค์ก็สอนให้พิจารณาอดีตแต่ไม่ได้ให้คํหนึ่งถึงอดีตต่างกันน ะ, ะคํหนึ่งก็เป็นชื่อของตันหาและทิฏฐิ แต่พิจารณานั้นเป็นชื่อของปัญญาแล้วก็ต่อไปก็ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะนะอย่างไรชื่อว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเออมาชาตินี้มันแก่แล้วก็ช่างมันเถอะทําบุญเอาชาติหน้าเดี๋ยวเอาหนุ่มฟอ้อนหลอเฟี้ยกันนี้อ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าคํานึงถึงรูปที่ยังไม่มาถึงใช่ไหมออกชาติหน้าเนี่ยเกิดมาชาตินี้เจ็บป่วยบ่อยเหลือเกินทุกขเวทนากล้าเกิดชาติหน้าต้องไม่ป่วย จะทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้เวทนาออย่างนี้ก็เรียกว่าคํานึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงหเกิดมาชาตินี้ความจําสู้ไม่ดีเลยอ่ะจําไม่ดีเลยอะชาติหน้าต้องเอาไบ ก, ก่อนนี้จําแม่นก่อนนี้จําเท่าเท่าแผ่นดินนั่นแหละออย่างนี้เรียกว่าคํานึงถึงสัญญาที่ยังไม่มาถึงชาติหน้านะจะต้องมาเจริญเมตตาให้มันสงบจะต้องมีเจตนาดีเป็นต้นเรียกว่าคํานึงถึงสังขารที่ยังไม่มาถึงเพราะเมตตานี้เป็นสังขารขัน แล้วก็ชาติหน้านะเราจะมีวิญญาณมีจิตแบบนั้นเช่นจิตเห็นของเราต้องเห็นแต่สีที่ดีๆโสตะวิญญาณจะต้องได้ยินสีที่ดีๆได้ยินเสียงที่ดีๆเขาเรียกว่าคํหนึ่งถึงวิญญาณที่ยังไม่มาถึงด้วยอำนาจแห่งตันหาและทิฏฐิอันนอย่างนี้ชื่อว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงฉนั้นไม่ควรหวังด้วยอานาจแห่งตันหามานะทิฏฐิอย่างที่ว่าไป แต่ถามว่าถ้าพระองค์สอนไม่ให้พิจารณาเรื่องอนาคตใช่ไหมบอกไม่ใช่พระองค์สอนให้พิจารณาเรื่องอนาคตผู้ที่พิจารณาเข้าใจในเรื่องอนาคตต่างจากคนที่มุ่งหวังในเรื่องอนาคตนะแล้วก็อีกบทหนึ่งว่าก็บุคคลใดนะครับเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คลอนแขนในธรรมนั้นได้ ใช่ไหม่าอย่างไรชื่อว่างอนเงนครอนแคลนบุคคลย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนนี่งอนเงนนะนะเป็นเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนมีในรูปเห็นรูปมีในตนลักษณะนี่งอนเงนเห็นตนในรูปเห็นตนในรูปเห็นเวทนาโดยความเป็นตนนะใช่ไหมตาเนี่ยเป็นตนสีก็เป็น ตนในตนของตนลักษณะนี้เป็นงอนแงันแล้วเห็นเวทนาโดยความเป็นตนอย่างงอนแงันนั่นนะปัจจุบันยังงอนแงันแล้วเพราะขณะนี้เป็นทิฏฐิใช่ไหมทิฏฐินี่มันงอนงันมันคลอนแคลนเพราะทิฏฐินี่ถือเอาสิ่งที่ไม่ไม่จริงรูปมีจริงแต่ว่าตนในรูปไม่มีเพราะรูปประชุมพร้อมด้วยปัจจัยรูปจึงมีขึ้น น, นะเห็นเวทนาโดยความเป็นตน เห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาเห็นความโกรธโดยความเป็นธงชัยเห็นไใช่ไมเห็นธงชัยมีเวทนาอะไรย่างี้ใช่ไหมครับงไัยนี่เป็นชื่อนะเป็นจริงเห็นเราคือคือเป็นตนนะสำคัญว่ามันเป็นไอ้ตนกับเรากับโทสะไม่ต่างกันอันเดียวกันแต่ถ้าถ้าคำว่าธงชัยเนี่ยมันเป็นบัญญัติอีกครั้งหนึ่งนะนะก็เห็นความโกรธ โดยความเป็นตนคือเป็นตัวเรานั่นเองแหละเป็นเป็นตนแท้ๆเลยตนอันใดโกรธก็อันนั้นอ่ะคือตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือตัวโทสะนะนแล้วก็เห็นตนมีเวทนาเห็นตนมีเวทนาเห็นตนมีโทสะเป็นตนเห็นตนมีโทสะเจริญพรเห็นสัญญานี่โดยความเป็นตนพอสัญญาที่ตนเนี่ยสัญญาอันนี้มีโทสะทําให้เกิดโทสะอะไรเงี้ยเห็นตนในเวทนาเป็นไง เห็นตนในเวทนาก็คือเอ่อก็เหมือนกับที่เรียกว่าเห็นแก้วมณีในในขวดแก้วอันในเวทตนของเราเนี่ยนะเป็นชื่อของวิญญาณเป็นตน้นนะอยู่ในเวทนาอีกครั้งหนึง่งนั่นแหละมันไปแทรกอยู่เหมือนกับอยู่อะไรอยู่ในขวดอะแล้วก็เห็นเวทนาในตนเห็นเวทนาเนี่ยในตนอันเวทนาเนี่ยมันเป็นข้างนอกเอ่อเหมือนกับดอกไม้มีกลิ่นอะไรงี้ ครับนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาขันห้านะครับตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนโดยมีในตนโดยตนมีโดยมีตนอะไรเนี่ยครับสลับไปสลับมาเนี่ยครับลักษณะนี้เนี่ยชื่อว่าง้อนแงนในปัจจุบนัน<ม>เพราะขณะนี้เป็นทิฏฐินะแต่ถ้าถามว่าเห็นยังไงโดยไม่งอนแงนไม่งอนแงนก็คือเห็นรูปเป็นรูปเห็นรูปเป็นรูปเห็นรูปเป็นมหาภูตารูปและ อุป า, าทายรูปนะเห็นเวทนาเป็นเป็นเวทนาทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่เป็นอเุเบกขาเวทนามีอยู่จริงแต่ว่าตัวตนในเวทนาเนี่ยมีไหมไม่มีแต่เวทนานี่มีสัญญาก็เหมือนกันสัญญานี่มีแต่ว่าสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งไปอยู่ในสัญญาไม่มีสังขารเนี่ยมีแต่ว่าสัตว์ไปอยู่ในสังขารไม่มีจิตนี่มีไหมวิญ ญ, ญาณมีมแต่ไปมีใครอยู่ในตัวจิตไหม ไม่มี <S <S ม, ม, มีแต่สัมปยุตรธรรมเจตสิกที่ประกอบเท่านั้นเองอ่าเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความรอบรู้ในเรื่องขันห้าอย่างนี้เชื่อว่าไม่ง้อนแง่นธรรมะในปัจจุบันนั่นแหละก็คือมีปัญญาที่สามารถพิจารณาเห็นรูปนามขันห้าตามความจริงพร้อมทั้งเหตุและปัจจัยแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความไม่ถือมั่น เพราะว่าไอ้ข้อปฏิบัติจริงๆก็ได้แก่อข้อปฏิบัติได้แก่อะไรทบทวนนะข้อปฏิบัติในผู้ศาสนาเน้นที่เน้นอะไ ร, เ น, นระเน้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนะเน้นไปที่อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดท่านอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดจะเจริญงอกงามไพ่บูรีบูรณ์ด้วยมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีศีลกับสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น นันคนที่มีศีลดีเช่นมีจาตุปิสุที่ศีลดีมีความบริสุทธิ์แห่งศีลสี่ประการคนนั้นจะมีสัมมาทิฐิได้ง่ายเพราะว่าคนที่รักษาจ่าตุปิสุที่ศีลด้จะไม่เป็นไปเพื่อวิปฏิสารเดือดร้อนใจเสร็จแล้วสามารถที่จะมีปัญญามองเห็นขันห้าเป็นขันห้าได้ง่ายคือหมายความว่าสภาพจิตของเขาเนี่ยมันตั้งมั่นพอที่จะปัญญาอาศัยเกิดได้คือจิตเนี่ย บางอย่างมีปัญญาประกอบใช่ไหมบางอย่างไม่มีปัญญาประกอบจิตที่มีปัญญาประกอบเนี่ยควรจะเป็นจิตชนิดใดต้องเป็นมหากุศลจิตมหากุศลจิตมีปัจจัยไหมปัจจัยให้เกิดกุสลจิตก็คือโยนิโสมนสิการเป็นต้นอันก็คือการมีศีลมีธรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดอันกุสุลธรรมก่อนหน้านั้นต้องหนาแน่นพอสมควร สมมุติถ้าหากว่าเราจะมามีปัญญาขนาดนี้เนะียถ้าไม่เคยสะสมอบรมมาเลยเนี่ยยากอใช้สติสิใช้สติสิมันก็เหมือนกับเห็นของเนี่ยเนี่ยซื้อเอาสิซื้อเอาลวงไปกระเป๋ารั่วไม่มีตะตังรักบาศอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นการเรื่องสติสัมปชัญญะก็เหมือนกันเป็นเรื่องของการอบรมความรู้ความเข้าใจเหล่านี้แหละยอมเป็นเป็นอุ ป, ปนิสัยที่สําคัญมากต่อต่อสติปัญญา ฉันเราสามารถที่จะดึงสติปัญญามาพิจารณาได้ไหมตรงนี้ก็อยู่ที่อัตตาส ม, มาปณิธิที่ว่าอัตตาส ม, มาปนิธินั้นก็คือเป้าหมายแห่งการศึกษาคาสอนของเราถ้าเราตั้งเป้าหมายในการศึกษาคาสอนตั้งไว้อย่างไงนะชีวิตเราจะเป็นไปตามนั้นเลยถ้าเราศึกษาคำสอนเพื่อที่จะเน้นในการเอามาพิจารณาว่า ฉันจะต้องศึกษาคำสอนและเอามาใช้ให้ได้เอามาพิจารณาให้ได้แล้วเป็นสาธารณะด้วยอยู่ที่ไหนต้องมีคำสอนเหมือนเดิมหมดอยู่ในห้องเจริญกรรมาฐานกับเดินข้างถนนเนี่ยสภาพจิตต้องไม่ต่างกันอะถ้าตั้งเป้าไว้ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นไปได้ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทาได้เพียงแต่ว่าอาศัยเวลาหน่อยนะก็อย่าง อย่างคนหลายคนเป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยอยู่ๆเขาเป็นคนใหญ่คนโตได้เลยไหมไม่ได้แต่เขาเชื่อว่าเขาเป็นได้อย่างอั บ, บราฮัมลินคอนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเลยใช่ไหมจากเป็นเด็กที่เขาว่าหัวหัวค่อนข้างดีพอสมควรแต่ก็เป็นลูกคนยากคนจนแต่ในที่สุดก็เป็นประธานาธิบดีเมริกาได้แต่แกเชื่อว่าแกเป็นได้ดังนั้นการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันมันอยู่ที่ที่ศรัทธา สิ่งเหล่านั้นถ้ามีนะถ้าอย่างในพระสูตรในมัชชิมนิกาที่พระ อ, องค์กล่าวไว้อะถ้าหากว่าประกอบไปด้วยศรัท ธ, ธาศีลสุตจะจาระปัญญาจะปรารถนาแม้แต่สัมมาสัมโพธิญาณอย่างสําเร็จเลยถ้าเชื่อว่าทําได้แต่ถ้าโอ้ยน <c> ะ <oughs> ถ้าโอ้ยเชื่อว่าทําไม่ได้แน่นอนนะยังไงก็ยกแก้วนี้ก็ยกไม่ไหวด้วยถ้าเชื่อว่ายกไม่ได้นั่นแหละมันน้ส่วนหนึ่งอยู่ที่กําลังของใจ ใจนี้ต้องประกอบด้วยกาลังกาลังของใจมีกี่อย่างใจถึงจะเชื่อว่ามีเรี่ยวแรงมีพร ะ, ะมีกาลังกาลังทั้งหมดมีหนึ่งศรัทธาพระต้องจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงนั่นจะต้องมีศรัทธาสองมีฮิริโอตะปะพระฮิริพระโอตะปะพระมีความอายชั่วกลัวต่อบาปเป็นกาลังอย่างหนึ่งของจิตเหมือนกันนะและก็มีวิริยะ ความเพียรความพยายามไม่ย่อท้ออันนี้ก็เป็นกำลังของใจอีกอย่างหนึ่งและอะไรสติเนะสติก็เป็นกำลังของใจอีกอย่างหนึ่งเหมือ น, นกันนะอันบางคนท่านบอกว่ามีแต่แรงไม่มีกำลังมีแต่แรงกายเนี่ยโหมีหมดแต่ว่าแรงใจไม่มีอนะแล้วต่อไปอีกแรงของใจหรือกำลังของใจก็คืออะไรสมาธิความสงบตั้งมั่น และก็สุดท้ายปัญญาความรู้เรื่องเหตุเรื่องผลความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างบริบูรณ์าถามว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องรู้ได้ไหมไม่ได้เนาะเดินทางกลับบ้านโดยที่ไม่รู้ดูสิถึงบ้านหรือเปล่านั่นแหละงนั้นความรู้เนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสว่างในโลกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าปัญญาโลกาสงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปัญญาเกิดนะมันจะสว่างมันสามารถที่จะมองเห็นความจริงได้แต่ถ้าโลภะเกิดเนี่ยมันมืดเลยนะมันจะต่างกันนั่นแะหละถ้าโลภะเกิดเนี่ยโลกนี้มืดทันทีเลยหรือวิชาเกิดเนี่ยโลกนี้เป็นโลกที่มืดทันทีนั่นแะหละเั้นการเจริญกุศลธรรมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ง่อนแงน้มไม่คลอนแคลนแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาได้การพิจารณา ธรรมะที่เป็นปัจจุบันในที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัจจุบันณอารมณ์นะไม่ได้แปลว่าปัจจุบันณอารมณ์ไอ้ที่ว่าเห็นแจง้งธรรมะในปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คลอนแกล่ะก็คือเห็นยังไงที่สากายะที่ถมไม่เกิดนั่นแหละชื่อว่าเห็นแจ้งธรรมะในปัจจุบันอั้นคําว่าปัจจุบันตัวนั้นไม่ได้หมายถึงตัวอารมณ์แต่หมายถึงตัวพละห้าที่อยู่ในใจขณะ น, นั้นะตัวนั้นเนี่ยจะต้อง ตัวเนี่ยจะต้องเป็นปัจจุบันที่เข้าไปรับรู้ถามว่าจะเรียกว่าเป็นตัวตัวตัวรู้นั่นแหละเป็นปัจจุบั น, เ ป, นเป็นปัจจุบันอันสิ่งที่ถูกรูหร้หรือตัวปัญญาเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ตัวปัญญาเป็นตัวปัจจุบันใช่ไหมสิ่งที่ถูรู้เนี่ยเป็นอดีตก็ได้เพราะธรรมะบางอย่างพระองค์ก็แสดงที่เป็นอดีตบางอย่างก็เป็นอนาคตก็ได้บางอย่างก็เป็นปัจจุบันอันคําสอนเนี่ยบางอย่างเป็นภายในด้วยนะบางอย่างเป็นภายนอกด้วยเอาหมดเลย สรุปแล้วสิ่งที่มีต้องมีขนาดนี้เลยก็คือปัญญาแต่ที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือเกิดจากการสะสมเกิดจากการอบรมเชื่อวันแล้วทีแว่แล้วเนี่ยเรามีปัญญาน้อยกว่าวันนี้นะเพราะวันก่อนๆ น, นั้นเราสะสมมาไม่มากนะแต่วันนี้เราได้แรงใจสะสมมาตั้งนานแล้วนะยอมบางคนนี่ฟังธรรมมาตั้งหลายปีแล้วอันันมันก็สะสมมานา น, นก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมไ ม, ไม่เนี่ยโอยมานั่งหาอย่างเดียวอะ ของนำมาเนี่ยธรรมะท้งแรกเนี่ยนั่งหาอย่างเดียวเลยอะ่ะเกิดมารู้ฟังอะไรเขาว่าอะไรก็งเขาก็ไม่รู้ถ้าหากว่าเอวังเนี่ยสาธุไอ้สาธุเนี่ยไม่ได้นุโมธนานะบอกสาธุเนี่ยแปลในใจว่าจบได้กว่าดีนั่นแหละคลือจะได้กลับบ้านอะ่ะแต่ก็นั่งฟังไปอย่างนั้นเนี่ยการอบรมการสะสมมันช่วยได้ การอบรมการสะสมภาษาทางธรรมเราเรียกว่าปัปตูปันิส nice. ัยปัจจนะเราก็เรียนปัจจัยไปด้วยอีกในตัวหนึ่งคือของเราเนี่ยนะถ้ามันสำคัญนะแล้วแต่ตั้งเชื่อตั้งเชื่อให้มันเป็นปัจจโอ้โหฟังนะก็ตื่นเต้นหน้าด้วยเลยนะถ้าไม่ใส่เชื่อไปปุ Safari, ๊บกาฟังแล้วก็เฉยเฉยก็เดี๋ยวครับจะให้สมบูรณ์หน่อยที่ครับ เมื่อกี้นี้นะครับข้าบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนงันในกนณีนี้ก็ท่านอา จ, จารย์อธิบายแล้วว่ามันเป็นการเจริญซีปฏฐานนั่นเองโดยพิจารณาขันใช่ไหมครับเจริญฐานพิจารณาขันห้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พิจารณาเนืองๆบ่อยๆให้ปลุกปลงเกิดใช่ไหมส่วนต่อต่อไปก็หมายความว่าเข้าใจง่ายแล้วใครเ <พอ S 1> ราจะรู้ความตายในวันพรุ่งคือมัจตุราษไม่มีเสนาเยอะบริวารเขาเยอะใช่ไหม รถแก๋งงามๆนี่ถ้ามาชนน่ะผักเขาเนี่ยไม่งามเลยนะหัวแตกเนี่ยตายเนี่ยเพราะฉะั้นแม้เสนาแห่งมัจจุราชเนี่ยมีเยอะ <Okay. S 1> เสนามัจจุราชก็คือปัจจัยที่จะทําให้เราจุติจิตเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะ <Okay. S 1> เพราะว่าการพัดเพี้ยนกับมัจจุราชไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบมาถึงใครครับมุนีก็คือผู้ที่มีโมนะโมนะเป็นชื่อของ ปัญญ า, าผู้ที่มีปัญญาที่อ บ, บรมมาจากทางกายทางวาจาและทางใจจนแทงตลอดอริยสัจได้กันแหละมูนียังไงเรียกว่ามูนีหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกตินะมมไม่เกียจคร้านมีความเพียรไม่เกียจคร้านอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็น<ม>ผู้ <รา S 2> มีร า, ร, ราตีหนึ่งเจริญ